น้าโ อ, าอกาสต่อไปนี่จะได้ดำธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จตัตมาสรมพุทธเจ้ามากล่าวบรรยายเพื่อเป็นเครื่อประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังแต่การตึงการศึกษาธรรมะและการฟังธรรมะนั้น เราฟังกันมาก็จเนมากมายแล้วเข้าใจว่าสมาคมนี้มีนักศึกษาธรรมะและนักเรื่องธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากแต่การเรื่อธรรมะหรืองธรรมะที่เราศึกษารู้ตามจำหลักตำรานั้นเป็นแตเพียงเครื่งอุปกรณ์ แล้วเป็นแผนที่ที่เราจะถือเป็นหลักดำเนินการปฏิบัติน้ำแบบนี้เราทั้งหลายก็ ไ, ได้สมาทานเบนจะสี่คืีสี่ห้าอันเป็นหลักการที่เราจะละเจรลญด้วยเจตนาคือความสั้งใจ กิเลสบางอย่างเราละได้ด้ยความตั้งใจที่จะละเช่นจิเลสส่วนหยากจากที่เป็นไปในทางกายทางวาจาอันนี้เราตั้งใจละได้เช่นอย่างศีลห้าที่ท่านสมท า, านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้้าเป็นหลักการละจิเลสที่จะเป็นข้าวร่วงด้วยทางตายและทางวาจา กิเลส่วนนี้เราตั้งใจตั้งเจตนาหมดเว้นในในร่วงละเมิดสิกขาบทนั้นที่เราสมาถทานมาและการละกิเลสดืวยกามตั้งใจนี้บางทีอาจจะมีการขาดตกบกพร่องแต่เราก็ตั้งใจเพภาพเทียนพยายามที่จะละ โดยไสตามภาคเตลียนพยายามที่จะละบ่อยๆละให้มากๆเป็นการฝึกขัดนิสัยของเราให้เคยชินต่อการละกิเลส่วนนี้เมื่อนับๆเข้านิสัยที่เราฝึกขัดจนเคยชินนั้นมันจะกลายเป็นอุปไ ล, ลเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นอุปนนิสัยเป็นความเคยชิน เมื่อเป็นอุปนิสัยแล้วเจอนาที่จะละเว้นจิเลสตัวนี้มันจะกลายเป็นสภาพความเป็นเองซึ่งจะเป็นคุ ณ, ณธรรมเกิึ้นไปจำติตของเราเมื่อเป็นฉะ น, นั้นเราก็จะกลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้สึกสำนึกผิดชอบช่วดี จนกลายเป็นอุกติใสที่แท้จริงฝังแน่นอยู่ในจิตของเราดังนั้นหลักการละตารทั่วประทฤติตามดีในขั้นสีและทำซึ่งเป็นไปโดยวามตั้งใจนั้นก็หมายถึงละตามทั่วตามกดของสี่ห้าประการดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วนั้น แต่สําหรับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งทึกฝังนั่นอยู่ไปจิตใจของเรามาใจมุ่มนานนั้นเราจะต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมในทางจิตในเมื่อกล่าวของการฝึกหัดอบรมในทางจิตนนจะนึดไปจากกลับของการทาเป็นสมาธิโดยเจริญภาวนาด้วยอุปายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แล้วการบำเพ็ญสมาธิเท่านั้นจะเป็นพื้นฐานให้จิตของเรามีความมั่นคงในการที่จะตั้งใจมั่นต่อการละปานตัวและประเพความดีวิธีการบำเพ็ญสมาธิก็มีหลายแบบหลายอย่างแต่จะด้ยประการใดก็ตามสำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ จะต้องตั้งใจำํำหนดรู้ลงในจิตของตนโดยอุบายวิธีที่จะเหนียวเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาหรือเป็นอารมณ์ที่จ ะ, ะนาัวเป็นอุบายให้เราได้พละเีออนสี สตภาพละทําให้เราเกิดสต้าในการที่จะตบุตรปฏิบัติวิริยะพละทําให้เราเกิดความภาพเียนในการปฏิบัติสติภาพละความตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิพละความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติ และปัญญาละความรอบรู้ภายในดวงจิตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักปฏิบัติจะตึงอบรมให้เกิดให้มีขึ้นดังนั้นการบาเพ็ญสมาธิในหลักการเป็นจริงแล้วเรามุ่งที่จะให้จิตสงกตั้งมั่นเป็นสมาธิมีโอปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลําดับ จนกระทั่งได้ปัญญชาญเจอทุกประผมไมาา่แานกจอติยชาญต่ดติยชาญแหาาละจะตุทาชาญซึ่งเป็นเพื่อนฐานเบื้องต้นทำให้จิตใด้สมถะเพราะสมถะสมถารหรือสมถะจิตนั้นเป็นเพื่อนฐานให้เกิดสติปัญญา เพราะฉะนั้นการบําเพ็ญสมาธินี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจบําเพ็ญกันอย่างจริงจังถ้าหากนักปฏิบัติทั้งหลายมาตั้งใจที่จะบําเพ็ญสมาธิภาวนากันอย่างแท้จริงโดยตัดความลังเลสงสัยใดๆออกจากจิตใจให้หมดสิ้นไป แม้เราจะยึดเอาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นกู้ของใจแม้แต่บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเลยยุกหน่อกองหนอก็ตามแต่หรือจะเอาอะไรอย่างดอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่อนพิจารณาของจิตก็ได้ทํานั้นบริกรรมภาวนาก็ดีหรือการพิจารณาอะไรก็ดี จุมุ่งหมายเขาต้งมุ่งให้จิตมีสมาธิและเป็นการอบรมสติให้สตินั้นกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเมื่อจิตได้กลายเป็นมหาสติปัฏฐานแล้วสติประอกอบกับจิตจะกลายเป็นตัวผู้รู้ผู้รู้ชื่อนามว่าพธะเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติ นับจำเริ่มแต่นั้นจิตก็จะสามารถปฏิวัติัวไปสู่โกมจิตโกมธรรมได้ตามลาดับขั้นซึ่งทั้งนี้สุดแท้แต่ ต, ตามภาพเปียนพยายามของท่านผูน้ใดดังนั้นการศึกษาธรร ม, มะก็ดีการเรียนธรร ม, มะก็ดีถ้าปราศ จ, จากการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ผลที่จะเกิดเจากการปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือการปฏิบัติจริงทำจริ ง, ร ง, รงอาศัยหลักคือว่าภาวิตาอบรมให้มากมากภาโฮลีกตากระทำให้มากมากเช่นอย่างเราจะภาวนาพุโทธโธพุทโธเป็นต้นก็ดี ถ้าท่านผู้ใดจะคิดจะตัดสินใจให้แน่วแน่ลงไปว่าลองดูีิฉันจะภาวนาพุโทโธอย่างเดียวแล้วมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็ตัองใจนั่งบริกรรมภาวนาพุโทโธหรือเราจะไม่นั่งก็าตามเดิ น, นภาวนาพุโทโธก็ได้เดินภาวนาพุโทโธก็ได้ นอนภาวนาพุโทโธก็ได้เดนเดินนั่งนอนกินเุ่นทำพูดจิดทัปฏิกิริยานดจิตพุโทโธไวในใจเอาพุโทโธเป็นเครื่องโลของจิตเป็นเครื่องละเล็กของสติจนสามารถทำจิตให้จดจ่องอยู่กับคำว่าพุโทโธแม้ว่าในขั้นต้นนี้ จิตของเรายังจะไม่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตามแบบฉบับที่ท่านกล่าวไว้ก็อตามแต่ปัญหาสำคัญในจิตของเรามาอยู่กับตุวโรเป็นส่วนมากแล้วแล้วเราจะมีความรู้สึกกับอารมณ์อื่นๆนั้นอย่างไรเท่าใครว่าถ้าจิตมีเครื่องยึดจิตมีเครื่องดู จิตของเราคงจะทราจากอารมณ์ที่วุ่นวายต่างๆให้แค่มาเจดจ้องดูกับคำว่าพุทโธเมื่อเวลาจะทบอารมณ์สิ่งใดเข้าแล้วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจิตของเราอาจจะวิ่งเข้าไปหาพุทโธแล้วก็อาจจะบันเทาความวุ่นวายที่จะเป็นเกิดึ้นตับจิตได้บ้าง อันนี้เป็นผลที่เราจะตึงในรักษาคำว่าการภาวนาพุทโูเราะฉะนั้นตอนที่เราจะทำสมาธิภาวนาให้ได้รับผลจริงจังนั้นอยู่ที่การประทันจรงิงและทำให้มากๆเป็นสาคัญการภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่แม้ว่าบางท่านอาจจะกล่าวว่า การภาวนาพุโทโธจิตเป็นได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานไม่ถึงขั้นรรวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแต่ขอให้ท่านลองทําดูสิว่าเมื่อสามารถที่จะภาวนาพุโทโธทําจิตให้สงบขั้นนั่นลงเป็นสมาธิเมื่อจิตภาวนาพุโทโธแล้วจิสงบลงไปต่อสว่างขึ้นหมา ความว่าพุทโธนั้นจะหายไปในเมื่อพุทโธหายก็ะแดจิตของโลกกาวนานั้นน้อมก็ไปสูวลมหายใจยเล็ดอารมหายใจเป็นเครื่องรู้อารมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องลเล็กของสติตามรู้ลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆ เพียงจะรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิดก็จะค่้ยสงบละเอียดลงไปคิดอนอยะนอยจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปถึงอัตนาสมาธิเมื่อจิเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าอัตนาสมาธินั้นขอทำตามเข้าใจกับคั้นตู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่า จิตอยในอัตปนาสมาธิ็มีแักษณะนิ่งนิ่งแล้วตอนี้ก็มี อ, อาการสว่างเป็นเครื่องหมายสมาธิที่ถูกแ้้งและสมาธิที่แท้จริงนั้นย่อมมีความสว่างภายในจิตเป็นเครื่องหมายถ้าสมาธิอันใดเลิกไม่มีความสว่างสมาธิอันนั้นท่านเรียกว่าโมหะสมาธิ ที่นีความสว่างของจิตนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่จะทำให้จิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นและความ ร, รู้สึกของผู้ทำจิตให้ถึงทัานอั ป, ปนาสมาธิได้นั้นจะมีความ ร, รู้สึกอยู่ภายในจิตอย่างเดียวความรู้สึกของจิตที่จะิปต่อ ก, กับโลกภายนอกไม่ดี และในขณะนั้นลมหายใจก็ไ ด, หดห้หายขาดไปแล้วเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วลมหายใจก็็นตายตัวหนึ่งร่างกายที่เ ป, เป็นตัวเป็นตนนี่ก็หายไปในเมื่อตัวตนโดยสมมติบัญญัติตายหายไปแล้วลมหายใจก็หายไปแล้ ว, ลาาลวตัวตนที่เดียกว่าอัตตาจีก มีตนเป็นขอบอตาสารณามีตนเป็นที่พึ่งโดยจิตจะปรากฏเป็นชัดในเมื่อจิตปรากฏเด่นชัดแล้วความรู้สึกอยู่ภายในจิตอย่างเด่นชัดนั่นแหละคือคมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอตาหิอตาโนนาถูมีนเป็นที่พึ่งของตน เมื่อใครทำเจตให้มันลุถึงขั้นนี้ก็จะได้รู้สึกในทันทีว่าอัตตาตัวตนที่เป็นที่ซึ่งเป็นขอบหรือมีตนเป็นที่เป็นศาสนานั้นจะปรากฏอย่างเด่นชัดใ น, ในบางครั้งถ้าผู้มีสติปัญญาเฉลี้ยฉลาดรอกู้หน่อยก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า แท้จริงอัตตาตัวตนที่เป็นรูปร่างกายนั้นมันไม่เป็นใช่ตัวตนอย่างแท้จริงไม่ใช่ที่พึ่งทีาอาศัยกันอย่างแท้จริงแจะแท้จริงตัวตนที่เป็นที่พึ่งที่อาศัยก็จะติดดวงจิตที่ปรากฏเป็นทัศน์จูนั่นแหละจะเป็นตัวตนเป็นที่พึ่งที่อาศัย ะอะไรเอกแางหนึ่งจะทำให้ตู้ภาวานานั้นรู้จับว่าอะไรคือตัวตนตัวตนที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนจริงกัง น, นั้นคืออะไรนอกจากจะรู้ว่าตัวตวนอันเป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างแท้จริงคืออะไรแล้วย่อมจะสามารถรู้ว่าสภาพจิตินแท้นั้นคืออะไร ในขณะที่เรามีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นจิตของเราจะรู้สึกว่ามีความบริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าเป็นจิตที่อยู่เหนือความสุขความทุกข์เพราะในขณะที่สภาพจิตเป็นเช่นนั้นสุขก็ไม่ปรากฏทุกข์ก็ไม่ปรากฏเป็นสภาพจิตที่นิ่งอยู่เฉยเ ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าสติปัญญาอย่างอื่นจะไม่เกิดขึ้นในขนาดนั้นก็ตามแต่หากใครสามารถทำจิตให้บรนรูุถึงความเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าจะเป็นฐานที่ให้เกิดสติเกิดสติสัมปชัญญะซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ไมรู้สึกตัว ทีนี้ตามตำรายที่ท่านกล่าวว่าเจตจิตในสภาพของสมถะกรรมฐานนั้นย่ไม่มีความรู้ที่จะราบขึ้นในขณะนั้นอันนี้เป็นความจริงใครๆจะไปปฏิเสธมาติอันนี้แต่ทีนี้เราอาจจะเกิดสติปัญญาเส้นต่อเมื่อเจตของเราถอนจากสมาธิในขั้นนี้ออกมาแล้ว เราจะมีสติสัมปชัญญะตามรู้เมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของจิตแล้วจะไปสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดาปไม่ได้ถงเวาถสงการถึงเวลาแล้วจิตก็ย่อมถอนออกมาจากสมาธิในเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา จิตก็จะมีความคิดเกิดขึ้นเจตในเครื่องอะไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสติตัวที่จะตามรู้ทันความคิดท่านนั่นเป็นตัวการที่สำคัญถ้าหาโทษภาวนาไม่โวนพัวพลาดออกจากการปฏิบัติสมาธิใช้เวลาตามกำหนดรู้ความคิดของตนเองไป ความคิดอันนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีความคิตจิตก็มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติก็มีเครื่องระลึกค้าหาแว่าจิตตามรู้ทันหรือสติตามรู้ทันความคิดเมื่อไร่ ความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูมิความรู้กลายเป็นภูมิปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าผู้นั้นไม่หลงความคิดของตัวเองถ้าหาวสติสัมปชัญญะมีพลังแต่กล้าแม้จิตจะเกิดความรู้ความคิดอะไรขึ้นมาก็ตามความรู้หรือความคิดอันนั้นจะกลายเป็นภูมิปัญญาของจิต จ็อาจะคิดเรื่องดีก็ได้อาจจะคิดเรื่องทั่วก็ได้แต่สำคัญอยู่ที่ตัวสติจะรู้เท่าทันความคิดขณะนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วติดไม่มีความยึดเมื่อคจดไม่มีความยึดกับความคิดของตัวเองติดกิริยาที่จะถึงให้เกิดความยินดียินรายย่อมไม่ดีแกมแเพียงกิริยาตักว่าเิด คิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อเป็นเช่นนั้นสติตัวผูร้รู้มันก็จะตามพันความคิดของตัวเองตลอดไปถ้ายิ่งตามกําหนดรูกความคิดนี้ถ้าสติตัดถ้าสติตามพันความคิดความคิดอันนี้มันยิ่งจะเกิดมากขึ้นถ้ายิ่งต้องดูยิ่งตามรู้ตามเห็น ยิ่งการพันเท่าไรการคิดมันก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นบางทีมันอาจจะคิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่สามารถจะกําหนดขันถ้าสติอ่อนได้ไห่กํารหลุดตามรู่กา ร, ก, การคิดไม่ทันคิดให้หลงยึดถือสิ่งนั้นๆเข้ามันก็เกิดเป็นตัวกิเลสถ้ายืนดีก็เป็นตามมะตัญหา ถ้าเจ็บก็เป็นภวะปัญหาถ้าหาย็ <needles> ่วยยินได้ก็เป็นวิภวะปัญหาถ้าจ็บคิดแล้วมีสภาพปกติมีแต่คารเป็นปกติเป็นหนึ่งไม่เึดไม่หลงไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินได้นั่นแหละคืออาการดักรี จริงอยู่ความคิดที่เรายังไม่มีสมาธิที่เรายังไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดความคิดอันนั้นมันสามารถที่จะเอาจิตของเราไปบทยี่ให้เกิดความสุขให้เกิดความทุกขึ่งสุดแท้แต่กิเลสจะปุ่งไปอันนี้เป็นความคิดในสมัยที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์อันเป็นพละหรือเป็นอินทรียแต่ถ้าหาว่าเจตบทานการเป็นสมาธิบ่อยๆก็จะก็จะกลายเป็นพละเป็นอินทรีสามารถที่จะรู้ทันการรู้จิตนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตได้และจะสามารถประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมจิตภูมิทําได้ มเมื่อเจตัวเท่าทันอารมณ์โดยความคิดที่เกิดขึ้นในจิตมันก็กลายเป็นตัวสติปัญญาปัญญานี่ไม่จะว่ากันตามความเข้าใจโดยผู้โทรไปปัญญ า, าที่เราใช้สัญญาแล้วมานล็มในคิดพิจารณาธรรมะตามที่เราเข้าใจโดยตามตั้งใจ อันนี้มันเป็นสติปัญญาธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิอันนั้นมันเป็นสมาธิปัญญาแต่เราจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาในขั้นจินตามยะปัญญาโดยโสตปัญญาที่เกิดจากการชิดและการฟังแล้วก็นำน้อมนาไปชนิดพิจารณาตามหลักการ จนเราจะพิจารณาทัศไรครักว่าสิ่งนี้ให้เที่ยงเป็นภูมิเป็นอนัตตาเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาคนคิดพิจารณาไปตามาหรับที่เราเรียนรู้มาและก็พร้อมกันนั้นก็พยายามทาติดให้เป็นสมาธิไปด้วยเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิเมื่อไรเมื่อนั้นปัญญาที่เกิดจากความคิด ปัญญาที่เกิดจากการํามันก็จะเป็นคุณน ร, รมอุดหนุนให้เกิดปัญญาในขั้นสมาธิปัญญาหรือภาวนามยปญญา์ปัญญ า, าปัญญาตามสัญญาหรือความทรงจำเป็นอุปกรณ์ให้เกิดปิติปัญญาในขั้นสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันแหลกกัน แล้วการบริกรรมภาวนาก็ดีาการค้นคิดที่เรณาการสัญญาที่เราเรียดมาก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ให้เกิดให้จิตเกิดมีสมาธิแต่สมาธิที่เกิดจากบริกรรมภาวนานั้นส่วนมากเมจิตสงบลงไปแล้วจะไม่ค่อยเกิดความรู้อะไรขึ้นมา แต่ถ้าปัญญาแต่ถ้าสมาธิที่เราได้ส่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อเใจสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิจะทำให้เกิดมีปัญญาในสมาธิขึ้นมาเพราะอาศัยปัญญาตามรู้ในทางที่ได้ทรงันมาด้วยปัญญานั้นเป็ น, นคุณธรรมเพื่อตุ่อุดหนุนกันไปไม่ข้อสังเกตในการที่เรา จะเป็นทำวามเข้าใจในขณะที่คํามเจ็บภาวนาและถ้าหากว่าจิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วเมื่อจิตสงบลงไใปในท่านอุปจารสมาธิถ้ากิดสติปัญญาความรู้ขึ้นมาเองสติปาาัญญาการยาวความรู้อ น, นันต์ยังจะมีสมมติปัญญาจ่ เมื่อเจตู้อะไรขึ้นมายังจะเรือดชื่อสิ่งที่รู้นั้นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้า เ, เจตประยุทละเอียดลงไปกันจริงๆแล้วแต่ถ้าคำว่าเจตอยู่ในระดับของอัปปนาสมาธิก็สุดแท่แต่ผู้ฟังจะเข้าใจ แต่ประสบาาก็การบางครั้งที่มันเกิดกินนั้นจิตอยูในลักษณะที่สงบนิ่งสว่างมีการประวงสะใยแต่ถ้าหากมีสิ่ ง, ง, งเชื่อมขามก็มาเป็นเครื่องูลของจิตเป็นเครื่องราได้ของสติจูกดกระจีนาแต่สิ่งที่รู้ที่ปรากฏขึ้นมานั้น จิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าจะเรียกสิ่ง น, นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็ลักษณะของโกลมจิตที่สงบอยา่างละเอียดแล้วเกิดภลมวามรู้ขึ้นมาเข้าใจว่ากาจะทำที่จกิดขึ้นตัดจิตนั้นย่อมอยนือสมมติบัญญัต แม้ในขณะนั้นจิตตัวผู้รู้เขาก็จะไม่สมมติเจ้าตัวเขาเองว่าจิตตัวผู้รู้แม้แต่สิ่งที่รู้ที่ปลาสดตื่งจิตก็ไม่เพียอกว่าอะไรเข้าใจว่าโฟมตามดูในพันนี้อยู่ในพันธุที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติของจริงที่ปรากดขึ้นกับจิตของผู้ภาวนานั้นจะต้องอยู่เหนือสมมติบัญญัติเสมอ ถ้าสิ่งใดที่ยังมีสมมติปัญญะอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่ใช่ความจริงหรือยังไม่ใช่สัจธรรมเพราะฉะนั้นในหลักฐานบางแห่งสมาธินั้นของทุกท่านจึงทำความเข้าใจว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตส่วนการนั่ง็ดี การยืนก็นดีการเดินก็นดีการ น, นอนก็นดีอ น, นั้นเป็นปเปียนการเปลี่ยนอิริยาบถประกอบนั่งกันฑุจิตมรรรมภาวนาเรืองที่จรณาอะไรก็อทำเรียกว่านั่งสมาธิ ถ้าการกำหนดจิตหรือบริกรรมภาวนาพิจารณาอะไรในข้าโยนเดินเลือกเดินกลมๆถ้ากําหนดจิตพิจารณาหรือบริกรรมภาวนาในข้ายยนโยูนสมาธิยยนทำสมาธิแตลองเสียหาสลายกาหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณ า, ารก็เลือกแตลองทำสมาธิ าการทนสมาธิในค่านัง่งค่ายืนค่าเดินค่านอนให้กิริยาการกำหนดติดุริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอย่างเดียวกันหมดอันนั้นเป็นปเถี่ยงเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้ร่างกายมีความสบายพอสมควรเท่านั้นเอง รางา น, นตามปฏิบัติสมาธิอยากไปจิตวิธีการถ้าจะจิตก็ให้จิตวิธีการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริกรรมภาวนานี่เป็นอุบายที่ทำจิตให้จิดอยู่กับสิ่ ง, งหนึ่งในเบื้องต้นก่อน เพ่อจิตจะได้คลากจากความเคลื่อ น, นวายกับเรื่องอื่นๆแล้วมารวมอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือบริกรรมภาวนานั้นเราก็ได้ทดสอบว่าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นหรูอเปล่าแล้วก็เป็นอุปายที่จะทำให้จิตมีสมาธิดังนั้น <c oughs> น้าโอกาสต่อไปนี้ขอให้ท่านได้ติดตัณฑ์จิตทำสมาธิตามแบบธรมบัตร <c oughs> ที่ตนเคยสึกหัดรำนิ้ทำนานมาแล้วจะเป็นแบบใดก็ตามสมาธิแต่ะละแบบละแบบนั้น ความมุ่งหมายก็อยู่ตรงที่ว่าทําจุตให้เป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมและจะเป็นอุบายให้จิตปล่อยวางในความยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดมีอาการของกิเลสขึ้นหรือให้หมดกิเลสเป็นที่สุดอันนี้คือจุดมุ่งหมาย <c oughs> แราจะลั่นต่อ น, นี้ไปขอทุกทุกท่านจงทำสมาธิ